วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สามสิงหาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบาิสัทผู้ฝ่ายธรรมผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาธรรมและมาปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่ง น, นี้ที่จะมีการแสดงธรรมและปฏิบัติธรรมช่วงแรกส0สบนาทีแรกจะเป็นการแสดงธรรมฟังธรรม ช่วงสามสิบนาทีต่อมาก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบให้เกิดความสุขอันยิ่งใหญ่ที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงและดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปชั่วคราว ในขณะที่อยู่ในสมาธิทรรมที่จะแสดงในวันนี้ก็มีหัวข้อว่าทุกย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังจะต้องมีความทุกข์อยู่ทุกที่เกิดจากความแก่ ทุกที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกที่เกิดจากความตายทุกที่เกิดจากการพัดพรากจากกันนี่เป็นสัจธรรมความจริงของชีวิตที่พระบร ม, มศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเร ส, สริฐได้ทรงตรัสรู้ และได้นำมามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ให้ยุติการเกิดกันเพราะการเกิดนั้นเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ตามมาเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกัน ต้องพบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะรวยจะจนจะใหญ่จะเล็กจะฉลาดหรือจะโง่ก็อยู่ภายใต้สัจธรรมความจริงข้อนี้เหมือนกันหมดทุกคนหนีไม่พน้นแต่ให้มีเงินทองมากมายก่ายกองก็ไม่สามารถจะดับความทุกข์ ที่มากับความแก่ความเจ็บความตายได้ต่อให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์หยุดความแก่หยุดความเจ็บหยุดความตายได้มีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ทุกข์อย่างยั่งยืนถาวรก็คือการไม่กลับมาเกิดเท่านั้นเองและการที่จะ ไม่กลับมาเกิดได้ก็ต้องหยุดเหตุที่พาให้มาเกิดกันเหตุที่พาให้สัตว์โลกทั้งหลายกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตรัยพบคือในการมาพบในรูปพบและอรูปพบนี้เกิดจากความอยากสามประการด้วยกันคือความอยาก ในรูปเสียงกลิ่นรสผลถั่วชนิดต่างๆเรียกว่ากามตัณหาความอยากเสพกรรมก็จะดึงให้สัตว์โลกต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆแล้วความอยากที่สองก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโต อยากสวยอยากงามอยากมีแต่สุขไม่มีทุกข์เป็นต้นความอยากเหล่านี้ก็จะพาให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆนะความอยากข้อที่สามก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตัณหาเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้ใจทุกข์ถ้าหยุดความอยากได้ใจก็จะหายทุกข์ใจก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปและเหตุที่จะทำให้ใจนี้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็คือการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่ามรร มักก็คือทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าปฏิบัติมากได้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะสามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้และยุติการกลับมาสร้างความทุกข์ม่อยู่เรื่อยๆ โดยกระทำตามที่พุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้สั่งสอนให้สัตว์โลกผู้ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นำมาไปปฏิบัติกันพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้มาทรงตัดสั้ทรงเห็นว่าความทุกข์นั้นเกิดจากกิเลสตัณหาความอยากต่างๆ เห็นความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปต่างๆจึงสอนให้สัตว์โลกผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ให้ยุติการสร้างความทุกข์ของตนเองขึ้นมาเพราะความทุกข์ของตนเองนั้นไม่มีใครเป็นผู้สร้างให้กับตนเอง นอกจากตนเองเป็นผู้สร้างความทุกข์ต่างๆให้กับตนเองไม่มีใครมาทำให้เราทุกข์มีเราเท่านั้นที่ทำให้เราทุกข์เราสามารถหยุดความทุกข์เหล่านี้ได้เพราะเราเป็นผู้ทำให้มันทุกข์เพียงแต่ขอให้เรารู้ว่าเราทำอย่างไรจึงทาให้เราทุกข์กัน แล้วเราก็หยุดความหยุดการกระทำเหล่านั้นเสียแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะไม่มีเกิดขึ้นอีกต่อไปพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์หลังจากที่ได้ทรงตัดสรู้แล้วก็จะนองเอาความรู้ที่ได้ทรงตัดสรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ปรารถนา การหลุดพ้นจากความทุกข์ให้นำเอาไปศึกษาให้นำเอาไปปฏิบัติเมื่อได้ศึกษาและได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่าสุปฏิปันโนแล้วความทุกข์ทั้งหลายที่เคยมีอยู่ในใจก็จะหมดสิ้นไปอย่างถาวรอย่างไม่มีการ กลับมาอีกต่อไปคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้ก็ส่งสอนไว้สามหัวข้อใหญ่ๆด้วยกันคือหนึ่งให้ละการกระทำบาปทั้งปวงสองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและสามให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัด กิเลสตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นผู้สร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจให้หมดสิ้นไปจากใจเมื่อกิเลสตัณหาได้ถูกกาจัดหมดสิ้นไปจากใจแล้วทุกข์ก็จะไม่เกิดอีกต่อไปและการเวียนว่ายตายเกิดก็จะสิ้นสุดลงจะไม่มีการกลับมาเกิดอีกต่อไปทุก ก็เลยจะไม่มีเพราะทุกย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นผู้ที่จะไม่เกิดเท่านั้นก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสามประการนี้คือละการกระทาบาปต่างๆเสียสองทมบุญทมกุศลทั้งต่างๆให้ถึงพร้อมสชํชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธ ด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาที่เป็นเครื่องซักพอกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะได้บรรลุถึงผลของการปฏิบัติกำจัดความทุกข์ต่างๆไป ให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยการบรรลุทำขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันสู่ขั้นพระสกิดาคามีสู่ขั้นพระอนาคามีและสู่ขั้นพระอาหารหันต์อันนี้จะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญจิตตภาวนาที่มีแบ่งไว้เป็นสองขั้นตอนคือสมถภาวนา ทำใจให้สงบดับความทุกข์ไว้ชั่วคราวก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มาศึกษาค้นหาสาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากความอยากต่างๆแล้วก็ใช้ปัญญาสอนให้เห็นว่าการทําความอยากนี้ทําตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเป็นการไปหาความทุกข์มาใส่ตัวเองโดยไม่รู้สึกตัว เพราะสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการนั้นล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่าเป็นของไม่เที่ยงทุกข์ครอบเป็นของที่ไม่สามารถครอบครองครอบครองเอาไว้เป็นของตนได้ไปตลอดเรียกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นราบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ชั้นต่างๆ ล้วนเป็นตายลักษ์ทั้งสิ้น ล, ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้หยุดความอยากเหล่านี้เสียให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วใจก็จะได้ไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิเดกต่อไปนี่คือแนวทางของการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้ารูปใดองค์ใดก็ตาม พระพุทธเจ้าที่เคยตัดตรู้มาแล้วในอดีตที่มีมากมายหลายรูปและพระพุทธเจ้าที่จะมาปรากฏในอนาคตอีกหลายรูปก็จะสอนคำสอนแบบเดียวกันทั้งนั้นสอนเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่เรากราบไหว้บูชาถือเป็นสารณะถือเป็นที่พึ่ง หรือเป็นพระบรมศาสดาก็คือให้ละการกระทําบาปให้สร้างบุญสร้างกุศลและทำละจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ดังนั้นถ้าต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องทําตามคำสั่งคำสอนทั้งสามข้อนี้อย่างเคร่งครัดอย่างสมบูรณ์ที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สุปฏิปันโนอุจุปฏิปันโนยาญะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเมื่อได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะตามมาเป็นขั้นๆไปจนถึงขั้นสูงสุดหลังจากนั้นแล้วความทุกข์ก็จะหมดสิ้นไปจากใจอย่างท้าวรนอย่างไม่มีวันที่จะกลับมาอีกต่อไป งนั้นถ้าต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องทำตามคําสอนสามคาสอนนี้คือข้อหนึ่งให้ละการกระทําบาปทั้งปวงบาปนี้ก็หมายถึงการเบียดเบียนผู้อื่นเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดในการการพูดปด และรวมไปถึงอบายามุขก็คือการดื่มสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนความเกียดคร้านและการครบผู้ที่ชอบอบายามุขเป็นมิดนี่คือการกระทำที่ไม่พึงกระทำเพราะจะนำความทุกข์มา ให้แก่ใจอบายามุกนี้ยังไม่ได้เป็นบาปโดยตรงอบายามุกนี้เป็นเพียงแต่ดึงใจให้มาอยู่ที่ทางเข้าของอบายอบายก็คือที่ไปของผู้ที่กระทําบาปอบายเป็นภพที่มีแต่ความทุกข์ภพที่ไม่มีความสุขเช่นภพของสัตว์เดรัจฉาน พบของเปรตพบของอสุรกายและพบของนรกผู้ที่จะไปอบายทั้งสีน่นี้ก็คือผู้ที่กระทำบาปเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมและพูดปดแต่การเสบบายยมุคนี้ยังไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นเพียงแต่ผู้ผลักดันให้ ง่ายต่อการกระทำบาปเพราะการเสพอบ า, บายามุขนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายดื่มสุรายาเมาก็ต้องเสียเงินเสียทองไปแล้วเสียรายได้เพราะถ้าดื่มจนติดเป็นติดเป็นนิสัยก็จะไม่สามารถไปทำงานทำการได้ ตอนดืมน่มล้วมึนเมาตอนเช้าก็ตื่นไม่ทันที่จะไปทํางานทําการต่อไปรายได้ก็จะไม่มีเมื่อไม่มีรายได้ก็ต้องไปหารายได้ด้วยวิธีมิชอบก็คือการไปช่อโกองบ้างไปลักทรัพย์บ้างไปโกหกหลอกลวงยืมเงินเขาบ้างเป็นต้น<ม>เช่นเดียวกับการเล่นการพนัน<ม>การเที่ยวกลางคืนความเกียดคา้าน นี่เป็นการสร้างเหตุที่จะให้ไปทำบาปต่อไปนั่นเองและข้อสุดท้ายของอบายามุขก็คือการครบคนชอบอบายามุขเป็นนิสก็ไม่เป็นสิ่งที่พึงกระทำเพราะถ้าไปคบกับคนที่ชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะดึงเราไปเล่นการพนัน ถ้าเขาชอบเที่ยวกลางคืนเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวกลางคืนถ้าเขาชอบความเกียรติ้านเขาก็จะชวนให้เราเกียรติ้านไปด้วยถ้าคบกับคนแบบนี้แล้วก็จะนำความหายนะตามมาอย่างแน่นอนนำไปสู่การกระทำบาปแต่ถ้าไม่เสพระบายามุกโอกาสที่จะทำบาปก็จะยากขึ้น ก็จะไม่สูญเสียเงินทองไปอย่างง่ายได้จะสามารถรักษาทรัพย์สินสมบัติเก้าของเงินทองที่มีอยู่ให้อยู่ไว้สําหรับใช้กับสิ่งที่จําเป็นคือปัจจัยสี่จึงไม่มีเหตุจําเป็นที่จะต้องไปทําบาปแต่อย่างใด น, นี่คือเหตุที่ทําให้ใจทุกข์ เวลาทำบาปแล้วใจจะทุกข์จะร้อนขึ้นมา ท, าทันทีใจจะเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมา ท, าทันทีใจจะวิตกกังวลใจจะหวาดกลัวกับผลของการกระทำบาปของตนแต่ถ้าไม่ได้ทำบาปใจจะไม่รู้สึกทุกข์กับอะไรไม่ได้ทุกข์กับการกระทำบาปของตนเพราะไม่มีบาปเพราะไม่ได้กระทำบาปนั่นเอง เวลาไปลักทรัพย์เนี่ยใจก็จะเกิดความวิตกกังวลกลัวว่าจะอาจจะถูกจับได้พอถูกจับได้ก็จะต้องถูกจับไปลงโทษนี่คือสิ่งที่ไม่พึงไม่พึงกระทำถ้าไม่ทำบาปไม่เสพบาบายามุกแล้วความทุกข์ใจที่เกิดจากการกระทำบาปก็จะไม่เกิดขึ้นก็จะปิด ทางของการเกิดความทุกข์ไปหนึ่งทางแต่ก็ยังมีเหลืออีกหนึ่งทางก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากของใจความทุกข์ที่เกิดจากความอยากของใจก็คือความอยากหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่ ก็ต้องมาชำระความยากเหล่านี้ด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาผู้ที่บำเพ็ญจิตตภาวนาก็ควรต้องมีการรักษาศีลแปดเป็นอย่างน้อยขึ้นไปเพราะศีลแปดจะช่วยให้การภาวนานี้เป็นไปได้ดีเป็นไปได้ง่ายเป็นไปได้สะดวกเป็นไปได้ผล ศีลเป็นเครื่องศีลเป็นเครื่องอบรมสมาธิสมาธิเป็นเครื่องอบรมปัญญาปัญญาเป็นเครื่องสนับสนุนให้จิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ฉงนั้นก่อนที่จะไปบำเพ็ญ จ, จิตตภาวนาธรมถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาธรมถาภาวนาก็คือการเจริญสมาธิ มิปั ส, สนาภาวนาก็คือการเจริญปัญญาเพื่อให้จิตที่มีศีลสมาธิปัญญานี้มีพลังที่จะสามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ถึงต้องเริ่มต้นด้วยการรักษาศีลแปดเพราะว่าถ้าไม่ได้รักษาศีลแปดแล้วการบาเพ็ญจิตภาวนานี้ อย่าไม่ได้เป็นกอ่อเป็นกรรมจะได้บ้างเล็กๆน้อยๆเพราะเวลาที่จะให้กับการภาวนานี้จะมีไม่มากพอเพราะอาจจะไปติดกับกิจกรรมทางการอารมณ์ต่างๆได้เช่นถ้าถือศีลห้านี่ก็ยังสามารถที่จะหาความสุขจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันได้รับรับประทานกี่มื้อก็ได้ แล้วก็อยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนก็สามารถทำได้ถ้าอยากจะหาความสุขจากมหรศพพันเธิงต่างๆก็สามารถทำได้อยากจะนอนมากๆนอนให้เต็มที่กี่ชั่วโมงก็นอนได้เพราะศีนห้ามไม่มีไม่ได้ห้ามกิจกรรมเหล่านี้ถ้าไปทำกิจกรรมเหล่านี้ก็จะไม่มีเวลา มากพอให้กับการมาซักฟองจิตใจให้สะอาบริสุทธิ์นั่นเองแต่ถ้ารักษาศินแปดได้ก็จะสามารถที่จะกําจัดกิจกรรมต่างๆที่สินห้ามไม่ได้ห้ามได้ก็จะทําให้มีเวลามเวลาให้กับการภาวนาให้กับการเจริญส ม, มะถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นผู้ที่ปรารถนาวิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์จึงควรที่จะพิจรารณาเรื่องของการรักษาศีแปดควบคู่ไปกับการภาวนาควรจะหาเวลาถ้าสำหรับเป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆเคยเคยภาวนามาแล้วด้วยการรักษาศีห้า ก็ทำได้อาจจะวันละครั้งสองครั้งครั้งละสามสิบนาทีหรืออะไรเป็นต้นก็ควรจะพลิกการปฏิบัติให้เป็นแบบเต็มรูปแบบคือให้ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนตลอดหนึ่งวันกับหน่งคืนในวันที่เรียกว่าวันธรรมสวนสวันพระที่เป็นวันที่มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ แต่เนื่องจากสมัยนี้วันพระไม่ได้ตรงกับวันหยุดทำงานก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนวันพระให้ไปตรงกับวันหยุดทำงานเช่น mm hmm. ถ้าวันพระเป็นวันศุกร์เนยก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เป็นวันหยุดทำงาน mm hmm. เพื่อที่จะได้มีเวลาว่างให้กับการสักพอกจิตใจด้วยการบาเพ็ญจิตตภาวนา จะซักฟอกที่บ้านก็ได้ถ้าไม่มีใครรบกวนถ้าอยู่คนเดียวถ้าไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับคนหลายคนไม่สะดวกที่จะภาวนาก็ควรจะไปอยู่ตามวัดปฏิบัติต่างๆที่ไม่มีกิจกรรมทางโลกทางการอารมณ์ ม, มีแต่กิจกรรมทางธรรมมีแต่การเดินจงกรมนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์นั่ง นั่งสมาธิเป็นต้นอย่างน้อยก็ควรจะมีหนึ่งวันตอนหนึ่งอาทิตย์ที่เราจะให้เวลากับการทัก้อกจิตใจอย่างเต็มที่การซัก้อกจิตใจนี้ต้องทําอย่างต่อเนื่องให้เป็นระยะเวลาที่มันยาวขึ้นถ้านั่งสมาธิเพียงแค่ครั้งละสามสิบนาทีนี้ โอกาสที่จิตจะเนื่งจะรวมเป็นสมาธินี้ยากมากแต่ถ้ามีการเวลาให้กับการเจริญสติอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนสรับกับการนั่งสมาธิโอกาสที่จะทำให้จิตรวมเป็นสมาธินี้ก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นดังนั้นการสักางคาจิตใจนี้ต้องมีเวลาอย่างน้อย ต้องหาเวลาอาทิตย์ละหนึ่งวันตามที่พูะเจ้าได้ทรงสั่งสอนคือวันหยุดทำงานซึ่งสมัยนี้ไม่ตรงกับวันพระเสมอไปก็ต้องปรับวันพระให้ตรงกับวันหยุดทำงานเท่านั้นเองเพืที่จะได้มีวันไว้สำหรับการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่เต็มรูปแบบถ้าได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มรูปแบบโอกาสที่จิตจะรวมจิตที่จะสงบเป็นสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้ง่าย พอจิตรวมแล้วสงบแล้วก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงว่ามันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจของเรานี่ก็จะหายโง่แล้วก็จะเปลี่ยนวิธีหาความสุขแทนที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากลาบยศสรรเสริญก็จะามาหาความสุขจากการเข้าสมาธิไปนี่ก็ได้ขั้นที่หนึ่งได้สมุทตะพาวนา พอได้พบความสุขแล้วอยู่ที่ใจอยู่ที่ความสงบท่านต่อไปเวลากิเลสหลอกให้ใจไปหาความสุขทางโลกก็ใช้ปัญญามาสกัดปัญญาก็สอนว่าความสุขทางโลกเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็มีดับเวลาดับความสุขนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาพอเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดแล้วดับและห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตา ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเจอกับความทุกข์ถ้าไปหาความสุขทางโลกก็เลิกไปหาความสุขทางโลกได้พอเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ได้เป็นการหาความสุขก็จะหยุดความอยากต่างๆที่จะหลอกใจให้ไปหาความสุขทางโลกได้อย่างสิ้นเชิงใจก็จะไม่มีความอยากอีกต่อไปเมื่อไม่มีความอยากแล้วใจก็จะ อยู่ในความสงบอยู่กับความสุขเพราะเหตุที่ทำให้ใจไม่สงบก็คือความอยากต่างๆนี่พอได้กำจัดด้วยสมาธิและด้วยปัญญาแล้วความอยากต่างๆที่เคยสร้างความวุ่นวายให้กับใจสร้างกับสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจก็จะหมดสิ้นไปเมืม่อ<ม>ไม่มีความอยากแล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไป ถ้าไม่มีความอยากที่จะไปเกิดอ mm ีกต่อไปความอยากที่จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็หมดไปความจำเป็นที่จะต้องมีร่างกายก็หมดไปก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆก็ไม่ไปเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่ไปเกิดแล้วทุกข์ก็จะไม่มีอีกต่อไปเพราะทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนั้นจะต้องมีการเกิดเป็นผู้นำเท่านั้นเอง ถ้าไม่มีการเกิดเป็นผู้นำความแก่ความเจ็บความตายก็ตามมาไม่ได้เกิดขึ้นมาไม่ได้ทุกที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ทุก็เลยจะไม่เกิดอีกต่อไปดังตามหัวข้อที่ได้แสดงไว้ในเบื้องต้นว่าทุกย่องไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นดังนั้นขอให้เรามายุติการเกิดกันด้วยการกำจัดความอยากต่างๆด้วยการบาเพ็ญจิตธรรนา ด้วยการละการกระทำบาปทั้งปวงทำแต่บุญทำแต่กุศลเพราะบุญกุศลนี้จะทำให้ใจมีแต่ความสุขนี่ก็คือเรื่องราวของธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็พอดีสมควรกับเวลาก็จะขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้และในลำดับต่อไปก็จะเป็นการปฏิบัติธรรม เป็นการเจริญสมถภาวนาคือการทำใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาถ้าเกิดความสุขจากการนั่งสมาธิได้แล้วใจก็จะหายโง่ไปหลงโง่ไปหาความสุขที่เป็นความทุกข์อยู่เรื่อยๆไม่เคยรู้เลยว่าความสุขที่แท้จริงความสุขอันยิ่งใหญ่นี้ อยู่ในใจของตนเองอยู่การที่ทําใจให้นิ่งให้สงบให้ได้ให้หยุดความคิดให้ได้เท่านั้นเองและการที่จะทําใจให้หยุดให้นิ่งให้สงบได้ก็ต้องนั่งสมาธิกันและการจะนั่งสมาธิให้ใจนิ่งให้สงบก็ต้องมีสติเป็นผู้คอยกํากับควบคุมใจสติก็คือการระลึกรู้ควบคุมใจให้ระลึกรู้อยู่กับกรรมฐานคืออารมณ์ ที่ไว้ผูกใจไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆถ้าจะเปรียบเทียบใจนี้ก็เป็นเหมือนลิงที่อยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่เฉยชอบวิ่งไปวิ่งมาอยู่เรื่อยๆถ้าต้องการให้ลิงนี้มันอยู่เฉยๆก็ต้องมีเชือกมามัดตัวลิงไว้หนึ่งปลายเชือกก็ ของเชือกปลายหนึ่งก็มัดตัวลิงเอาไว้อีกปลายหนึ่งก็เอาไปผูกไว้กับเสาที่แข็งแรง<ม>พอมีเชือกผูกลิงไว้กับเสาลิงก็ไม่สามารถเดินไปวิ่งไปไหนมาไหนได้ลิงก็จะอยู่นิ่งๆเฉยๆได้<ม>ใจก็เหมือนกันใจนี้ไม่เคยหยุดคิดเลยตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้มีแต่คิดอยู่ตลอดเวลา ค, คิดทั้งขณะที่ตื่นคิดทั้งขณะที่หลับ กินแล้วก็สร้างความวุ่นวายใจต่างๆสร้างความทุกข์สร้างความเครียดต่างๆขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา<ม>ถ้าสามารถหยุดความคิดต่างๆได้ให้ใจอยู่นิ่งๆเฉยๆได้ความทุกข์ความเครียดต่างๆความวุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปชั่วคราว<ม><ม>สตินี้เป็นเหมือนเชือกที่เอามาผูกตัวจิตเอาไว้แล้วก็เอาปลายเชือกเองไปผูก ปลกไว้ผูกไว้กับเสาเสาก็คือกรรมฐานคืออารมณ์ที่เราใช้ในการยึดเหนี่ยวจิตใจนั่นเองกรรมฐานก็มีหลากหลายชนิดด้วยกันชนิดที่เอามาแสดงอยู่ประจำก็คือการบริกรรมพุทธโธพุทธโธ ท, ที่เรียกว่าพุทธานุสติถ้าเอาใจผูกไว้อยู่กับพุทธโธใจก็ไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ ถ้าตอนต้นมันก็พยายามดิน้นพยายามที่จะสู้พยายามที่จะไปคิดอยู่เรื่อยๆถ้าเชื่อกไม่แข็งแรงถ้าสติไม่แข็งแรงเชื่อกก็ขาดได้เวลาใจดิ้นขึ้นมาปั๊บเชื่อกก็ขาดใจก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แสดงว่าสติมีกำลังน้อยก็ต้องพยายามฝึกสติให้มากๆทั้งในขณะที่นั่งและก่อนที่จะมานั่ง ก่อที่จะมานั่งก็ควรจเจริญสติไปเรื่อยๆก่อนอยู่กับพุโทโธไปก่อนก็ได้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแต่เช้านี่ก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่จะมานั่งสมาธิก็พุโทโธต่อได้เลยถ้ามีพุโทโธอย่างต่อเนื่องสติก็จะมีกําลังมากใจจะดิ้นขนาดไหนก็ตามก็จะไม่สามารถทําให้เชือกขาดได้ให้สติขาดได้ถ้าเชือกไม่ขาดสติไม่ขาด เดี๋ยวใจก็หมดกําลังที่จะลิ้นเองพองหมดกําลังมันก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วเกิดความสุขที่มาสา์ใจขึ้นมาเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง อ, อันนี้คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้หยุดให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขให้เกิดอุเบกขาเกิดความปราความเป็นการคือไม่ลักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง ใจนี้จะเป็นใจที่มีพลังที่จะสามารถเอาไปใช้ในการเจริญปัญญาเพื่อต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆทำลายกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ถ้าใจยังไม่มีสมาธิไม่มีความสงบนี้ใจจะอ่อนแออ่อนปวกเปียกมีอารมณ์ต่างๆครอบงำอยู่ตลอดเวลาเวลาที่จะไปสู้กับอารมณ์ต่างๆก็สู้ไม่ไหวเพราะมีอารมณ์ เป็นไส้สึกอยู่ในใจอยู่แล้วพอไปเจอกับข้าศึกศัตรูก็โดนทั้งสองด้านโดนทั้งโดนทั้งไส้ไส้เึกโดนทั้งทั้งข้าศุกดมูมกินเราก็ไม่สามารถที่จะกำจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้แต่ถ้าใจสงบนิ่งแล้วไส้สึกจะถูกทำลายไปแล้วเวลาไปเจอกับความอยากใหม่ๆก็สามารถใช้ปัญญาสอนใจ ให้หยุดความอยากต่างๆได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนี่คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิก็ทำใจให้นิ่งให้สงบจใจจะนิ่งใจจะสงบได้ต้องมีสติผูกใจให้อยู่กับกรรมาฐานก็คืออารมณ์ชนิดต่างๆที่เราจะเลือกในแต่ละเวลาที่เรานั่งสมาธิกันบางครั้งเราก็จะสามารถนั่งดูลมหายใจเข้าออกได้เลย บางครั้งใจยังวุ่นยังคิดมากอยู่ไม่สามารถดูลมได้ก็อาจจะต้องอาศัยการสวดมนต์ไปพังๆก่อนสวดไปจนกว่าใจจะเย็นลงใจจะเบาลงความคิดจะน้อยลงเราสามารถเปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกได้หรือจะใช้คําบริกรรมพุทโธก็ได้ถ้าใช้พุทโธได้ก็ใช้พุทโธไปถ้ายัางใช้พุทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนค่ะ ส่วนมันไม่ได้ก็ฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้นี่คือขั้นตอนของการถูกใจให้อยู่กับอารมณ์ต่างๆให้ใจไม่ไปวุ่นวายกับความคิดต่างๆเพื่อให้ใจนิ่งให้สงบให้เกิดสมาธิเกิดความสุขขึ้นมา <c oughs> และขณะที่นั่งนั้นถ้ามีอะไรปรากฏมาให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจอาจจะมีเสียงเข้ามาอาจจะมีแสงเข้ามาอาจจะมีภาพเข้ามา อาจจะมีอารมณ์อะไรต่างๆปรากฏก็อย่าไปสนใจผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานตลอดเวลาถ้าอยู่กับพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปถ้าอยู่กับการสวดมนต์ก็อยู่ ก, การสวดมนต์ไปถ้าอยู่กับการดูลมก็ดูลมไปอย่าไปสนใจกับอะไรทั้งสิ้นในขณะที่นั่งสมาธิเพราะถ้าไปสนใจแล้วใจก็จะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้จะเข้าสู่ความสงบได้ใจต้องมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ คือต้องมีกรรมฐานเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจให้ใจนิ่งให้ใจสงบนี่ก็คือวิธีโดยสังเขตที่มาฝากท่านในวันนี้แล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นการนั่งสมาธิไปจนกว่าจะหมดเวลาตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้สิ้นสุดลงแล้วก่อนที่จะเลิก ขอให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบไหมถ้าสงบก็ให้จำวิธีนั่งที่ทำให้ใจสงบนี้เอาไว้คราวหน้าเวลานั่งก็ใช้วิธีเดิมต่อไปได้เลยอย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะมันจะไม่สงบด้วยความอยากมันจะสงบด้วยวิธีนั่งที่ถูกต้องถ้ายังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีกำลังไม่มากพอควรจริ่สติระหว่างวันให้มากขึ้น มันจเจริญพุโทโธพุโทโธไปในใจเรื่อยๆคอยดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วคราวหน้าเวลามานั่งสมาธิใจก็จะนิ่งจะสงบง่ายขึ้นและต่อไป น, นี้จะขออนุมูทนาให้พรยะทาวารวาหาปุราปริปุเรนติสักลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกะปติ อิชิตังปะทิตังตุมห um ังคิปเป็นวาสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิต e ิโวิวาจันตุสัพพรุโขวินัสตุ มาเตผวตวันตาลาโยสุขีติขายุโกผวะอภิวาทนาศิลิสานิจังอุทาปจายโนจตารโหธรมมวาทานติอายุวันุสุขังพาลัง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 วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโต278 YouTube พระสุชาติ Live 314 YouTube Dr.V Channel 60วิทยุออนไลน์12 Club House 9ผู้รับฟังธรรมะหน้ากุติ200ท่านรวมทั้งหมด873ครับวันนี้มีคําถามจากทาง Facebook YouTube คุณบายยก ลูกนั่งสมาธิจนถึงสภาวะจิตรวมมีความสุขมากครับน้ำตาไหลแล้วก็สุขจากการที่ไร้การปรุงแต่งเบาเหมือนอากาศพอออกมาก็ปกติเจอสิ่งกระทบก็สังเกตดูเข้าใจว่าแบบนี้ครับคือหนึ่งต้องคอยใช้ปัญญาตัดรากแต่ก็ใช้เวลาลูกจะตัดได้แต่ละรากบางรากก็ปล่อยให้จิตปรุงแต่งจนลงลึก ลูกเข้าใจว่าจิตของพระอริยเจ้าคือเกิดปุ๊บปัญญาตัดปั๊บจึงไม่มีรากปรุงจนฝังลึกลูกอยากปฏิบัติให้ทุกเหลือน้อยที่สุดขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยครับก็มันเจริญปัญญาบ่อยๆพิจารณาายรักอยู่เรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างสาเพสังขารานิจจาสาเพธรรมานตตาสาเพสังขาราทุกขัง มองให้เห็นว่าสิ่งที่มาสัมผัสนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะเป็นอนัตตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้ามองอย่างนี้แล้วมันก็จะตัดได้ทันทีพอใครดา่าเราปรุ๊บเราก็อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไปเราก็เฉยได้พอใครชมเราก็อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไปเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะชมก็ปล่อยเขาชมไปเขาอยากจะดา่าก็ปล่อยเขาด่าไป <S S S เขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาเราหลบได้เราก็หลบ ทนไม่ได้แล้วก็ต้องทนไปแต่าท่านี้แหละก็ไม่มีอะไรมากไปกว่า น, นี้ถ้าเห็นใลรักตลอดเวลาแล้วมันก็มันก็จะตัดได้ทันทีคำถามต่อไปจากคุณอลิสามีสองคำถามครับคำถามแรกถ้าเรารับเงินเดือนจากสามี และเวลาที่เราทำบุญเราก็เอาเงินที่สามีให้เราเราจะได้บุญไหมคะและบุญจะเท่ากับเงินที่เราทํางานหาเงินมาเองไหมครับคือเงินที่เขาให้เรานี้ถ้ามันเป็นของเราแล้วเราเอาไปทำบุญเราก็ได้บุญเต็มเต็มร้อยเพราะเป็นเงินของเราแต่ถ้าเขาฝากเราไปทำบุญเราจะไม่ได้เลยถ้าสา ม, มีบอกว่าเงินก้อนนี้เอาไปทาบุญให้หน่อยนะอันนี้เราจะไม่ได้เพราะเป็นเงินของเขาฝากมาให้เราไปทาบุญ แต่ถ้าเขาให้เราว่าอันนี้เงินของผมผมให้คุณเขาก็ได้บุญจากการให้เราแล้วเราเอาไปทำบุญต่อเราก็จะได้บุญเหมือนกันกับนักบสการพระอาจารย์ครับเออคือผมขอถามภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าเพื่อนผมเป็นฝรั่งแล้วก็อยากจะศึกษาธรรมะก็อยากฟังคำถามเป็นภาษาอังกฤษครับ Yes you can okay, okay um, So, in Buddhism, um, they say to um, let go of sensual pleasures, and when you meditate deeply and get happiness from from jhanas, and then he's wondering if um, after you, you let go of the jhanas, how can you be happy after after that? Is it the peacefulness you get, or or what? Is it happier than the jhanas? Well, the jhanas is temporary. When you come out of jhana, the happiness that you have slowly disappear. Not suddenly, it gradually disappear. So if you want more happiness, you have to go back into jhana. But then there's also the next step in which you can maintain the happiness that you have from jhana to continue on, not not disappearing, by trying to get rid of your sensual cravings. When you come out of jhana, you might want to have a cup of coffee. You want, might have want a piece of cake, for instance. You can tell the mind that this is not good for the mind because it is a temporary happiness. And once, once you have eaten it, it's gone, and it will cause you to want to have more and more. And when you cannot have it, you can have unhappiness. So you have to use wisdom to teach the mind. When the mind wants to go for sensual p l e a s u r e by telling the mind that the sensual pleasures are temporary, and they can cause you to have sadness when they disappear, when they're not here for you. So when you see that, you can stop your cravings. And when you stop your cravings, then the happiness that you have from the jhana will come back, without having to go back into jhana. It will come back because it's been blocked by your sensual craving. So, so then, um, if you are able to use the jhanas to eradicate all of the sensual pleasures, is it the next step? What is the next step? The next step is to maintain it, to keep it all happy all the time, without having to go into jhana. Like I said, by eliminating eliminating all all the cravings that arise. Whenever you have cravings, it will cause the mind to ripple, to become un unstable, to become agitated. So you have to stop these cravings. Once you stop, once you could stop the cravings, then the the mind return back to normality, to calm and peace, and contentment. So you have to use wisdom to teach the mind that everything that that the mind craves for, they are They are causes of suffering. They're not. They, they will not give you permanent happiness. They are temporary happiness. They can turn into sadness when you have to lose them. Um, another question, please. Um, I read um, Jack Cornfield's book on. It's, uh, the title is Ecstasy, and then after is the Laundry, and he said that Zen Buddhist masters and. Um, Um, lay people who experience ecstasy from meditation and stuff like that—they, after that, loads of them go through periods of um, what they, he calls "laundry." And is that common for t h e r a v a d a n monks who don't have um, um, family, like Zen Buddhist masses and lay people as well? About what? About that they go through a period of what they call the "laundry," where where after they see the ecstasy of meditation. They go to periods of have like kind of down that they cannot maintain that kind of ecstasy state of meditation. No, because once you know how to get into jhana, you can always go back to jhana anytime you like. Only by accident you get into jhana, and then the next time you might not be able to get back in because sometimes it might be like your good luck suddenly everything falls apart and. c a u s e into place, and you get into into jhana without knowing how or why. But if you learn the way of how to get into jhana by mindfulness practice, then you can always use mindfulness practice to bring you back into jhana any time you like. Okay. Okay. ครับคำถามต่อไปจากคุณอลิสา ตอนเช้าจิตใจไม่เบิกบานในตอนที่ตื่นขึ้นมาใหม่ๆอันนี้เป็นเพราะเราไม่มีสติหรือไม่ครับก็ส่วนหนึ่งก็ไม่มีสติควบคุมใจใจก็เลยปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆขึ้นมาบางทีก็เบิกบานบางทีก็เศร้าเศร้าใจแล้วแต่อารมณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงนั้นแต่ถ้ามีสติก็สามารถระงับความรู้สึกเหล่านี้ได้คาถามต่อไปจากคุณเบน ช่วงนี้อยู่คนเดียวรู้สึกถึงความพัดพรากก็เป็นทุกข์ขึ้นมาบ่อยๆเรานำความพัดพรากมาพิจารณาธรรมได้ไหมครับแต่บางทีการอยู่คนเดียวก็ทำให้รู้สึกสงบมีความสุขขึ้นมาเหมือนกันทำให้นึกถึงอนิจจังขึ้นมาด้วยครับพิจารณาอย่างนี้ถูกต้องไหมครับก็เวลาเราอยู่คนเดียวถ้าเราไม่มีสติเราก็จะรู้สึกเหรู้สึกเศร้าเพราะเราจะอยาก อยากจะอยู่กับคนนั้นอยู่อยู่กับคนนี้อยากจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเราไม่ได้ทำเราก็รู้สึกเศร้าขป้นมาแต่ถ้าเวลาที่เรามีสติเราก็หยุดคิดความคิดเหล่านี้ได้พอเราไม่คิดถึงความคนนั้นคนนี้ไม่ได้อยากให้เขาอยู่กับเราหรือทำอะไรกับเราเราอยู่คนเดียวเราก็มีความสุขได้ดังนั้นคืออยู่กับสติถ้าเราอยู่คนเดียควคนหมนหั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆให้ใจหยุดคิดให้ได้ ไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วใจก็จะไม่เศร้าไม่เหงาแต่ถ้าเราปล่อยให้ใจคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวใจก็จะเกิดความเศร้าความเหงาขึ้นมาคําถามต่อไปจากคุณชัดชรินถ้าเราจะบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยกองกําลังทหารเพื่อการรบเราจะได้บุญหรือบาปครับได้บุญได้บุญเราไปเหมือนกับไปทํารั้วบ้านเราบ้านเรารั้วมันพัง เราก็ต้องไปซ่อมรั้วขึ้นมาไม่บาปแต่อย่างใดคำถามต่อไปจากคุณบรรลือศักดิ์การอโหสิกรรมเราสามารถทำให้กันได้ไหมครับได้ก็คือการให้อภัยกันเวลาที่มีเรื่องมีราวกันแล้วจะไปฟ้องร้องกันขึ้นศาลก็เปลี่ยนใจว่าแล้วแล่วดีกว่ให้อภัยกันอยู่ที่ว่าจะยอมกันทั้งสองฝ่ายหรือเปล่า เราอาจจะให้กับภัยเขาแต่เขาอาจจะไม่ให้กับภัยกับเราเขาก็จะดำเนินการต่อไปแต่เราก็ไม่ไม่วุ่นวายใจเรายอมรับเขาอยากจะทำอะไรเขาปล่อยเขาทำไปคาถามต่อไปจากคุณสุกัญญาถ้าเราใส่บาตรสวดมนต์ฟังธรรมทุกวันถือ<ม>ว่าเราใกล้เป็นพระอริยบุคคลหรือยังครับก็อยู่ที่ว่าทำถูกหรือไม่ถูก ถ้าทำไม่ถูกทำาร้อยปีก็ไม่ได้อะไรต้องสังเกตว่าทำแล้วใจสงบใจมีความสุขใจเกิดปัญญาหรือเปล่าถึงจะใกล้ธรรมะเข้าไปถ้าถ้าใกล้ถ้ามีปัญญาเห็นอริยสัจสี่เห็นตายรักอันนีนะ้ใกล้ใกล้ที่จะเป็นพระอริยบุคคลได้แต่ถ้าทำไปแล้วยังไม่เข้าใจอริยสัจสียังไม่เข้าใจตายรักอยก็ยังอยู่ห่างไกลอยู่ หมดคำถามครับถานหมดแล้วนะมีใครอยากจะถามไหมคณะจุนธรรมเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเริ่มต้นให้มีการแสดงธรรมตอนบ่ายนะกี่ปีแล้วเนี่ยเราตามมาเนี่ยยี่สิบกว่าแล้วนะยี่สิบกว่าปียังเหมือนเดิมอยู่แก่ไม่แต่แก่อย่างเดียวที่ไม่เหมือนเดิม แต่ธรรมะไม่แก่ด้วยเลยธรรมะยังเป็นเด็กอยู่ยังชอบทําบุญทําทานอยู่ยังไม่เคยชอบภาวนาเนี่ยอย่างนี้ะทําไปร้อยปีก็เหมือนเดิมก็ยังดีดีก็ไม่ทําเลยทําบุญทําทานอย่างน้อยก็ได้ไปสุคติตายไปก็เวียนว่ายตายในสุคติไปสวรรค์ กลับมาเกิดก็กลับมาเกิดมีฐานะมั่งคัง่งมีร่างกายหน้าตาสวยงามมีสุขภาพแข็งแรงกลับมาทำบุญต่อตายไปก็ไปสวรรค์ต่ออย่างนี้ไปก่อนโดนกาจะเปลี่ยนมาเป็นปฏิบัติบูบชาคือมาแล้วก็เข้าวัดภาวนาไม่ยุ่งกับใครเก็บตัวพยายามเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญากำจัด ก, กิเลสสังโยชน์ทั้งหลาย ที่มีอยู่สิบประการให้หมดไปจากใจก็บรรลุถึงพานี่ผ่านได้ก็ไม่ต้องกลับมาเวาียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปมีคำถามยังไหมมีอีกสองคำถามครับหลวงพ่อคำถามแรกจากคุณวริญญาจิตตั้งมั่นจิตผู้รู้กับจิตสงบเป็นอันเดียวกันไหมครับตัวเดียวกันนะคำถามต่อไปจากคุณวิริพล ความคิดใช่ตัวเราไหมครับไม่ใช่เหรอความคิดก็เป็นความคิดเหมือนเหมือนแสงอาทิตย์เนี่ยมีตัวตนหรอือเปล่าหรือลมพัดนี่มีตัวตนหรอือเปล่าไม่มีตัวตนมันก็พัดได้ความคิดก็ไม่มีตัวตนมันก็คิดของมันไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมันมีหน้าที่คิดมันก็คิดไปใจนีมันมีน ม, มีสี่หน้าที่ด้วยกันเขา อ, อีกห้าหน้าที่หน้าที่หลักก็คือรู้ ใจนี้จะรู้ตลอดเวลา <Yeah. S 2> รูรู้อะไรต่างๆที่มากระทบกับใจ <Yeah. S 2> แล้วก็มีหน้าที่แสดงความรู้สึกรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็มีหน้าที่คิด <Yeah. S 2> คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้แล้วก็มีหน้าที่จำได้จำได้หมายรู้จำว่าเมื่อวานนี้ไปทําอะไรมาวันก่อนไปทะเลาะ ก, กับใครมาหรือเปล่าออันนี้ก็เป็นความจำได้หมายรู้ แล้วหน้าที่ที่ห้าก็คือการไปรับรูปเสียงกลิ่นรสมาจากตาหูจมูกมือกายนี่คือหน้าที่ของใจมีอยู่ห้าหน้าที่ด้วยกันหมดแล้วครับหมดแล้วเนะี่ยอเคมีใครอยากจะถามอีกไหมเพราะว่าถ้ามาถามตอนแรกเราจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยขอบคุณค่ะคุณตายเชิญ พร้อมกับน้มาสการค่ะพระอาจารย์เมื่อกี้พระอาจารย์พูดบอกว่าชาตินี้ก็ไม่ได้ไปนิพพานไม่ได้ไปได้แต่เกิดแล้วก็ไปสวรรค์ใจของหนูมันแทงขึ้นมาบอกว่าเห็นไหมทําได้เท่านี้แหละมันก็ไม่ไปมันก็ต้องกลับมาเกิดอยู่ดีอะไรอย่างเยอะพระอาจารย์อันนี้มันคือมาแล้วก็กิเลสในใจเราใช่ไหมคะก็คิดผิดไงวิชาทิจิความจริงก็คือเราทำแค่นี้ก่อน เหมืนกับเราเริ่มต้นจากเศรษฐีน้อยไปเป็นเศรษฐีใหญ่ไม่ใช่จะเริ่มต้นปั๊บจะเป็นเศรษฐีใหญ่ทันทีวันนั้นเขาขอให้เป็นเศรษฐีล้านหนึ่งก่อนต่อไปก็เป็นเศรษฐีสิบล้านเราทําเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไงตอนนี้เราทําได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้ไปก่อนเราก็ขยายสาขาตอนนี้เปิดเป็นสองล้านนะเดี๋ยวก็เป็นสามล้านเดี๋ยวก็เป็นสี่ล้า น, านมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็ถึงนิพพานเองต่อไปก็รักษาศีลแปดให้มากขึ้น การที่จะรักษาทิละวันก็เป็นสองวันสามวันภาวนาให้มากขึ้นนังสมาธิให้นานขึ้นฟังเทศฟังธรรมให้บ่อยขึ้นแล้วต่อไปมันก็จะเจริญขึ้นไปตามลำดับของการกระทธรรมของเราเจ้าค่ะแล้วไอ้ตัวมิจฉาทิถิเนี่ย มันชอบแทงขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วทําให้เราทอ้อแล้วเราจะเอาตัวอะไรไปตัดมันคะพระอาจารย์ก็ปัญญางว ม, มึงหลอกกูอีกแล้วมึงหลอกอกูต้องคิดถึงว่าพุทธเจ้าคิดถึงว่าอารหันเป็นตัวอย่าง <c oughs> ถ้าไม่ถูกหรอกถ้าไม่หลงเชื่อกิเลสท่านพยายามทําไปเรื่อยๆทําให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> พอมันหลอกให้มันคิดอย่างนี้ว่ากูดโดนหลอกอีกแล้วเจ้าค่ะกลับเขาก็คุณเจ้าค่ะคิดแบบนี้ก็ไม่มีพระอรหันไม่มีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สิ ใช่นี่มีมีพระหลานมีพระเจ้าขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเขาไม่คิดแบบนี้กันเอาคิดแต่สู้ไม่ถอย ต, อต้องเข้มแข็งใช่ไหมคะ่ะต้องเข้มแข็งต้องมีความเพียรมากหลุดพ้นจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรต้งางเพียรพยายามกราบขอพระพุทเจ้าค่ ะ, ะมีคําถามเข้ามาอีกสามคำถามครับคําถามแรก จากคุณทีถ้าผมอยากจะบวชควรที่จะสแสวงหาพระอาจารย์ที่คอยช่วยเรื่องปฏิบัติหรือแค่หาวัดที่เคร่งพระวินัยแล้วปล่อยให้ปฏิบัติเองครับอ๋อถ้ามีอาจารย์มันดีกว่าเหมือนกับเราไปเรียนวิธีทากับข้าวหาหาเรียนเองนี่เดี๋ยวทากับข้าวไม่ได้เรื่องอ <S <S ไปหาไปเรียนกับเชฟดีกว่าเชฟที่ไหนมีชื่อเสียงไปขอสมัครเป็นลูกจ้างเขาเป็นลูกน้องเขาแล้วไปเรียนจากเขาจะได้วิชาที่ ที่ถูกต้องแม่นยำอ่านหนังสือกับการไปอยู่กับเชฟนี่มันไม่เหมือนกันการปฏิบัติก็เหมือนกันปฏิบัติจากหนังสือกับปฏิบัติจากครูบาาจารย์นี่ไม่ไม่เหมือนกันคำถามต่อไปจากคุณสิงหราชในศาสนาอื่นมีนรกสวรรค์ไหมครับคือแล้วแต่คำสอนของแต่ศาสนาเราไม่ได้ศึกษาเราไม่สามารถตอบได้แต่ความจริงมันสวรรค์นรกมันมี ไม่ว่าจะเป็นนับถือศาสนาในสวรรค์นโลกนี้ก็มีเหมือนกันเพียงแต่จะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองคำถามต่อไปจากคุณทัวขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะให้คำแนะนำผู้ที่อยากปฏิบัติธรรมที่ยังเป็นครวาสยังเป็นมือสมัครเล่นครับไม่ใช่มืออาชีพพอมีความสุขในการใช้ชีวิตในโลกครับก็รักษาศีลห้าทบุญทาทานไปโดวยวันปกติ ในวันพระวันหยุดทำงานเราก็มาถือศีลแปดมาปฏิบัติธรรมอั น, นก็จะทำให้ชีวิตเรามีทั้งสองส่วนมีทั้งบุญและมีทั้งมีทั้งธรรมทำบุญด้วยทำธรรมปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ค่อยเพิ่มการปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับแล้เวเดี๋ยวต่อไปก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้หมดแล้วยังหมดแล้วครับแล้วก็พอสมควรแก่เวลา